บอกว่าชูตินทรศเนี่ยนะแปลว่าผู้รุ่งโรหรือผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งโรดผู้ทรงไว้ซึ่งความเล่นซ้านออกแห่งรัศมีของพระสรีระอันมีสิริเกินกว่าดวงอาทิตย์ในสาระการในฤดูสาสเนี่ยนะฤดูศาสฤดูไห น, นตอนนี้เรียกว่าฤดูสาธารเนี่ยนะหน้านี้หน้าศาส นะนะว่าเรียกว่าสิ้นวันศาสตร์รู้สึกจะสิ้นวันนี้ด้วยนะวันนี้วันสิ้นศาสตร์แล้วสิ้นวันศาสตร์วันเนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ใหญ่ของกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มเขาว่าถือว่าวันเพนเนี่ยเป็นวันศาสตร์ใหญ่เนี่ยนะเมื่อเพนวันพระก่อนนู่นบางกลุ่มถือว่าวันนี้เป็นวันศาสตร์ใหญ่ก็มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันทันฤดูกาลเนี่ยถือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสองรัศมีแผดกล้ามากนะ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 อย่างั้นเถอะยิ่งใหญ่กว่าอย่างนั้นโดยสรีระร่างกายเพราะว่าอนุภาพของพรหมเนี่ยอนุภาพของเทวดาบางพวกพรหมบางพวกนี้ก็กลบพระศมีดวงอาทิตย์ได้แล้วพระองค์เนี่ยนะกลบพระศมีดวงอาทิตย์กลบพระศมีเทวดาและพรหมได้ทั้งหมดอันนี้เรียกว่าชุตินทรสะผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งโรดผู้รุ่งโรดจริงๆนะนะแม้กระทั่งด้านสริระร่างกายเนะี่ยเขาบอกว่าในบรรดารูปที่เกิดจากบุญที่วิจิต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 เพราะฉะนั้นถ้าระลึกถึงบุญของพระพุทธเจ้าด้วยก็จะมีความสุขในการดูพระสริระรูปของพระพุทธเจ้ามันพวกสองพระเลยสองได้ทั้งวันนะจะสองด้วยอะไรก็ช่างเถิดแต่ว่าสรุปว่าถ้าถามอารูปอื่นๆมีใครไปสองอะไรขนาดนั้นไหมไอ้นี่เนี่ยพระพุทธรูปเขาทาได้ขนาดนั้นแล้วถ้าองค์จริงเนี่ยเขาบอกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้ามีมีพระพุทธเจ้านั่งประทับนั่งเนี่ยเทวดา ม, มามีใครสนใจหรอ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 หมายถึงเน้นพระสริระในที่สองบอกว่าหรือจะกล่าวว่าผู้ทรงความรุ่งโรดด้วยปัญญาก็ได้ปัญญาที่รุ่งโรดที่สุดดังที่กล่าวไว้ว่าจัตตาโรโลเกปัชโชตาปัญจะเมธะนวิชติทิวาตปติอาทิจรุรติมาพาติจันดิมาอะ า, าอักคิทิวารัติงตัทธัตถะปภาสติสัมพุทโธตปตะปตเสตโธเอสาอาภาอนุตรา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 สรุปพระองค์เนี่ยนะเชื่อว่าชุตินทรศัผู้ทรงไว้ซึ่งความเล่นซ่านไปแห่งรัศมีทางพระสรีระและก็รัศมีแห่งปัญญาชุติตัวเนี้ยหมายถึงแสงสว่างเนี่ยนะที่แผ่ซ่านออกไปซ่านทางกล้างกายและจิตใจเนี่ยนะนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วมืดเนี่ยไม่มีเว้นไว้แต่พระองค์ประสงค์จะปกปิดรัศมีด้วยจีวรของพระองค์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 นะเพราะคือพระองค์เนี่ยจะไม่ไปอยู่ในคันของผู้ใดทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่อุบัติปฏิสนธิณะพบเหล่าใดาโดยประการทั้งปวงสรุปว่าพระองค์ทิ้งทุกเหล่านี้แล้วไม่ถือเอากองทุกอันใหม่ขึ้นอันนี้เราอธิบายคำว่าพระองค์ผู้มีพระกรุณาในสรรพสัตว์ผู้มีวิชาและจรณะผู้เป็นพระตถาคตเนี่ยนะตถาคตสะเนี่ยนะคือ ผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้นะคือว่าผู้ที่มีกรุณานนะผู้ที่มีวิ ช, ชาและมีกรุณาผู้คงที่ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งโรจน์พระองค์เนี่ยมีพระกายครั้งสุดท้ายหรือว่าทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดเนี่ยนะบุคคลนั้นนะคือใครก็อบอกคือพระตถาคตเจ้าใช้คำว่าพระตถาคตเจ้านะผู้ทรงคุณธรรมคือสมบูรณ์ด้วยวิ ช, ชาและจรณะเป็นผู้คงที่ผู้มี มีแสงสว่างหรือมีรัศมีเนี่ยนะแผ่ซ่านออกไปทางร่างกายและปัญญาเนี่ยพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้ า, าผู้ตถาคตบางแหงว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกพระนามหนึ่งเนี่ยพระองค์เรียกว่าตถาคตเนี่ยนะตะถาคตเนี่ยตรงนี้บอกว่ายกมา8ปประการ นตถาคตพระเสด็จมาอย่างนั้นสองเสด็จไปอย่างนั้นสทร่งไว้ซึ่งลักษณะที่แท้สตรัสรู้ธรรมที่เป็นจริงหเห็นแต่ความจริง6ตรัสแต่คําจริงเจ็รทำจริ ง, ร ง, รงสุดท้ายครอบงําผู้ครอบงําอธิบายแต่ละข้อโดยลําดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตถาคตพระเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยถามว่าพระองค์เสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยมาอย่างไร มาจากไหนเป็นใครมาอย่างไงเนี่ยนะเรียกว่าภูมิหลังของพระพุทธเจ้านะซึ่งโดยทั่วๆไปคนก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าคือใครมาอย่างไงก่อนเนี่ยพระองค์คือเจ้าชายสิทธัตถามีพระบิดาชื่อว่าพระเจ้าสุโทธทนะมีพระมารดาชื่อว่าพนางสิริมหามยาประสู่นที่ที่ไหนที่สวนลุมพินีวันน่ยนะ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 พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเสด็จมาแล้วด้วยอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเป็นต้นเนี่ยนะอา่าเรียกว่าอภินิหารที่ประกอบไปด้วยองค์8ปดประชมอภินิหารที่ประกอบไปด้วยองค์แปดคนคว้าพิจารณาหาบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมาภบารมีสิบและบำเพ็ญบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าฉันใดยอย่างใดเนี่ยนะ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 อย่างที่กล่าวเป็นคาถาว่ายะเทวะโลกัมหิวิปัสิอาธโยสัพพัญยุพาวังมุนโยอิทาคตาตะท่าอายังสักยะมุนิอมุนีปีอาคโตตะทาคตโ ว, วุจติเตนะจักขุมามุนโยพระมุนีทั้งหลายวิปัสิอาธโยมีพระพุทธเจ้าวิปัสีเป็นต้นเนี่ยนะเป็นต้นมีใครบ้างก็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 บารมีอุปปารมีปาระมะะปารมัตถารมีมาด้วยมหาบริจักห้อย่างที่เราเรียนจริยาปิดกเนี่ยนะก็ยกถึงปุพหาจริยาคุณพระองค์มาด้วยปุพหาจริยาคุณมีอะไรบ้างก็เช่นพระองค์บำเพ็ญกรุณาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์บำเพ็ญสะสมบุญยะยานะสัมภาระสังสมอะไรสุจริตทั้งสาประการสังสม พุทธภูมิสี่อธิฐานธรรมสี่สังฆะวัตถุสี่บัมเพนอินทรี่ห้าบัมเพนอัธยาสัยหบัมเพนปติญญาเจ็ดบัมเพนมหาปริสวิตกแปดบัมเพนธรรมมิโยนิโสเป็นมูลเก้าบัมเพนบารมีสิบบุญญากิริยาวัตถุสิบบัมเพนบารมีสาสิบทัดบัมเพ็ญมหาบริจาคห้าจริยาสามเป็นต้นเหล่านั้นนะนะพระองค์จึงได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเสด็จมาเช่นเดียวกันกับ พระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาเรียกว่าอย่างคัมภีร์ที่เราเรียนก็บอกอยู่แล้วคัมภี์พุทธวงศ์เขาเรียกว่าผู้เสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่างั้นแต่เขาเรียกว่าธรรมเนียมของพระพุทธเจ้ามาตามตระกูลของพระพุทธเจ้าอันนี้ข้อที่หนึ่งเนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาอย่างไงมาอย่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะไม่ใช่รวบรับตัดตอนมาหรือปฏิวัติได้มาเป็นต้นไม่ใช่ มาด้วยบุญจริงๆนะเป็นผู้ที่มาด้วยบุญสําเร็จด้วยบุญมาด้วยคุณงามความดีมามาด้วยบุญด้วยกุศลจริงๆนะนะอย่างที่สองถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปอย่างนั้นน่ะอย่างไรเมื่อกี้บอกว่าเสด็จมาตถาคตเนี่ยโดยสัมมันสามารถพลิกแปลงตามหลักไวยากอนได้ผู้มาอย่างนั้นก็ได้ผู้ไปอย่างนั้นก็ได้ตถาคตแปล ว, ว่าผู้ไปอย่างนั้นเนี่ยท่านไปไหน เริ่มไปตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ประศูนบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระวิปสัสสีสิกีเวสภูกะกูสันทากณนาคนามะณกัส ป, ปะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะตอนที่พระองค์ประสูตนได้ชั่วประเดี๋ยวเดียวเนี่ยนะแป๊บเดียวเนี่ยคลอดเสร็จก็ประทับยืนที่แผ่นดินอันเสมอด้วยพระบาทคือหมายความว่าพอพระองค์ประสูตนปั๊บเนี่ย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 แล้วพระองค์ก็หันหน้าไปทางทิศอุดรทิศอุดรเนี่ยแปลว่ามันทิศที่มันเหนือขึ้นไปยิ่งกว่านะมันเหนือขึ้นไปอ่ะแปลว่ามันสูงกว่าทิดอื่นๆนะทิดใต้ส่วนใหญ่จะเป็นทิศต่ำนะไปใต้นี่คือเราล่องใต้ถ้าไปเหนือก็ขึ้นเหนือเั้นทิศเหนือว่าทิศที่มันสูงไปเพื่อพ้นพระองค์ก็เลยว่าผินพระพักไปทางทิดอุดรคือทิศเหนือเสด็จย่างพระบาทไปเจ็ดเก้านะเสด็จย่างพระบาทถึงเก้าที่เจ็ดแล้วพระองค์ชี้มือขึ้น ในโลกว่าแล้วก็เปล่งวาจาเรียกว่าอาสพิวาจาว่าอโคโหมามัสมิโลกาสะเชธโเสเถโถก็อบอกว่าอโคโหมามัสมิเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเศโธหามัสมิเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเศโธหามัสมิเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก อะมันตินัติชาณิภูนโวังนันชาตินี้เป็นชาติที่สุดหรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอนะก็ถือว่าการอยู่ในครันของท่านถือว่าเป็นครั้งเนี้ยสุดท้ายแล้วต่อไปจะไม่อยู่ในครันที่ไหนอีกแล้ว สรว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะตอนประสูติจะเป็นแบบนี้ทำเนียมของพระพุทธเจ้าทุกอง์ว่าถ้าประสูติต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ทำเนียมของคนวงอื่นนะแสดงไอ้นคนทั่วๆไปเนี่ยชอบเอาตัวเองไปเปรียบว่าเอ๊ะทำไมเห็นคนอื่นก็ทําอย่างนี้กันบ้างบอกว่าคนที่ทําแบบนี้ก็มีแต่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยนะชาติสุดท้ายนะเฉพาะชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าตถาคตคือว่าตอน ประสูดเนี่ยนะจะเหมือนกันทุกพระองค์นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนประสูดเนี่ยจะมีปุพภณิมิตรเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่ามูหุตชาตวะควัมปติยถาสเมหิปาเดหิภูศีวสุนทรังเป็นต้นเนี่ยนะว่าโคจ่าฝูงเนี่ยนะจะยกตัวอย่างว่าโคเนี่ยนะตัวโคทั้งหลายเนี่ยเกิดได้คู่เดียวก็สัมผัส พ, พื้นดินด้วยเท้าที่เสมอกันฉันใด ใครเคยเห็นวัวคลอดโคคลอดกระบือคลอดนี่นเป็นอย่างนี้เนี่ยคลอดแป๊บเดียวมันก็ยืนได้แล้วใครว่าขูดเล็บขูดอะไรออกเอาเมือกเอาอะไรออกนิดหน่อยมันก็ลุกขึ้นยืนได้แล้วฉันใดฉันใดพระโคโดมพระองค์นั้นก็ประสูตรได้แป๊บเดียวก็สามารถย่างพระบาทเจ็ดเก้าและทวยเทพก็กั้นเสเวตฉัตรให้ฉันนั้นพระองค์เนี่ยดุจโคนะดุจโค ง, งั้นพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จ ย่างเก้าแล้วก็เหลียวดูทิศเสมอกันโดยรอบเพราะว่าดูแล้วทุกอย่างมันจะเป็นเนินปรากฏชัดทั้งหมดแปลงอาสพิวาจาวาจาอันองค์อาจเป็นวาจาที่ประกอบด้วยองค์8เหมือนพญาราชสียืนหยัดเหนือ ย, ยอดขุนเขาแล้วก็คำรามฉะนั้นเนี่ยนะราชสีขึ้นสูงยอดเขาแล้วก็คำรามด้วยความองค์อาสงาพาเผยไม่คลั่นครามฉนาันใดพระองค์ก็พอดําเนินพุทธดําเนินได้เจ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 แสงสว่างในโล ก, กธาตุอันหาประมาณไม่ได้ได้เกิดขึ้นเนนะตลอดหมื่นโล ก, กธาตุมันเป็นบทพันนิมิตประกาศว่าพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าในลักษณะใดมีคุณธรรมเช่นใดเป็นต้นเนนะก็มีอธิบายค่อนข้างละเอียดหน่อยในอัจฉริยะอัภูตธรรมมาสูตรแปลว่าสูตรที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่เคยมีมาเกี่ยวกับเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่ดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดามาราธนาให้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 นนะสิ้นไปอย่างไรเนี่ยนะเป็นทุกอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรสรุปย่อว่าสกะลักษณะของตนกับลักษณะที่เสมอกันแปลว่าสกะสามัญะลักษณะของตนกับรู้อะไรลักษณะเฉพาะตัวของสัพพสังขารธรรมดังหลายและความเสมอกันในความเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาแห่ง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 ยานทั้งหลายด้วยยานทั้งหลายท่องเที่ยวในรู้ถึงลักษณะของตนและก็สามัญญลักษณะเนี่ยนะที่คถากล่าวว่าสัพเพสังปณะธรร ม, มานาสกะสามัญญลักษณะนะัาตาตาสสาตถคโตเนี่ยนะเพราะเหตุที่เพราะเหตุที่อะไรสกะสามัญญลักษณะทรงบรรลุถึงลักษณะของตนและลักษณะอันทั่วไปก็คือสกะสกแะแปลว่าเฉพาะตัว